2. ภูตะคามวัค 1. ภูตะคามสิกขาบท 166. ภิกษุพรากภูตะคามต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กำลังพรากต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. ต้องอาบัตปาจิตตีทุกๆคราวที่พราก 2. อ, อัญญาวาทกะสิกขาบท ภิกษุนำเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลื่อนต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. เมื่อสงยังไม่ลงอัญญวาทกรรมคือกรรมที่จะพึงกระทําแก่ภิกษุผู้พูดกลบเกลื่อนนำเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลื่อนต้องอาบัตทุกกฎ 2. เมื่อสงลงอัญญวาทกรรมแล้วนำเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลื่อนต้องอาบัตปาจิตตี 3. อุดชาปนกะสิกขาบทภิกษุกล่าวให้ผู้อื่นเพ่งโทษภิกษุต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังกล่าวให้เพ่งโทษต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อกล่าวให้เพ่งโทษแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสี่ปฐมเสนาสนะสิกขาบทภิกษุวางเตียงตั้ง ูหรือเก้าอี้ของสงในที่กลางแจ้งแล้วเมื่อจะจากไปไม่เก็บไม่บอกมอบหมายต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. เดินล่วงเล่ห์ทุตบาทไป 1.9 ก้าต้องอาบัตทุกกฎ 2. เดินล่วงเล่ห์ทุบาทไป 2.9 ก้าต้องอาบัตปาจิตตี 5. ้ทุติยเสนาสนะสิกขาบท ภิกษุปูที่นอนในวิหารของสงฆ์แล้วเมื่อจะจากไปไม่เก็บไม่บอกมอบหมายต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. เดินล่วงเลยเครื่องล้อมไป 1.9 ก้าต้องอาบัตทุกกฎ 2. เดินล่วงเลยเครื่องล้อมไปสองก้าต้องอาบัตปาจิตติห 6. อนุปขัดชะสิกขาบท ภิกษุรู้อยู่เข้าไปนอนแทรกแซงภิกษุผู้เข้าไปอยู่ในวิหารของสงก่อนต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังนอนต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อนอนแล้วต้องอาบัตปาจิตตีเจนิกกัตธนะสิกขาบทภิกษุโกรธไม่พอใจ ฉุดลากภิกษุออกจากวิหารของสงฆ์ต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังฉุดลากต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อฉุดลากออกไปแล้วต้องอาบัตปาจิตตีแปดเวหาสะกุติสิกขาบทภิกษุนั่งบนเตียงหรือบนตัง้งอันมีเท้าเสียบบนกุดีชั้นลอยในวิหารของสงฆ์ ต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. นึ่กำลังนั่งต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อนั่งแล้วต้องอาบัตปาจิตติก้ 9. มหลัล ก, กะวิหาระศิขาบทภิกษุดำเนินการมุงหลังขา2อถึงสชั้นแล้วดำเนินการเกินกว่านั้นต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กำลังดำเนินการต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อดาเนินการแล้วต้องอาบัตปาจิตติ 10. สัปปานกะสิกขาบทพิกษุรู้อยู่ว่าน้ามีสิ่งมีชีวิตรดหญ้าหรือดินต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังรดต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อรถแล้วต้องอาบัตปาจิตตีภูตะคามวัคที่สองจบ